ผีบังตาป่าหลังที่นาท้ า, ายหมู่บ้าน ส, สัมผัสสยองย่าของเราเป็นคนยีสานตอนนี้อายุเจ็ดสิบแล้วแต่ร่างกายก็ยังแข็งแรงดีอยู่ ยังทอผ้าทำงานเล็กๆน้อยๆได้เรื่องที่ย่าเล่าให้เราฟังนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยย่ายังเป็นเด็กอายุประมาณเจดถึงขวบครอบครัวของย่าค่อนข้างมีฐานะเพราะทวดเคยเป็นนายหอยคนเลี้ยงบัวเลี้ยงควายสมัยก่อนเลี้ยงบัวเป็นร้อยๆตัวย่ามีพี่น้องทั้งหมดเกคนย่าเป็นคนที่สี่ส่วนทวดนั้น เลี้ยงบัวเลี้ยงควายเป็ดและไก่เยอะมากๆลูกชายจะได้เลี้ยงบัวประมาณเกือบ20ตัวย่ากับพี่สาวคนที่สามซึ่งเป็นผู้หญิงจะได้รับหน้าที่เลี้ยงควายหตัวเพราะควายจะเลี้ยงง่ายกว่าบัวส่วนลูกคนเล็กทวดจะให้ไปเลี้ยงเป็ดไก่นับพันตัวกับทวดหญิงสมัยนั้นไม่มีใครต้องไปเรียนหนังสือ หน้าที่หลักก็เลยตามนี้วันนั้นย่าไปเลี้ยงควายตามปกติโดยนึ่งข้าวแล้วก็ต้มไข่เป็ดกับแจ่วปาราไปกินระหว่างวันทางไปเลี้ยงควายนั้นจะต้องข้ามคลองน้ำซึ่งมีน้ำลึกเกือบถึงหลังควายย่ากับพี่สาวจึงต้องนั่งอยู่บนหลังควายคนละตัวให้ควายพาเดินข้ามน้ำ เวลาที่น้าลึกจะท่วมหลังควายย่ากับพี่สาวก็จะยืนทรงตัวบนหลังควายแทนระยะทางข้ามคลองก็ราวๆ20เมตรเมื่อข้ามคลองมาได้ก็ช่วยกันดึงปลิงออกจากควายแล้วเอามดแดงตามต้นไม้มากัดที่ปลิงเป็นเรื่องสนุกสนานกันไปจากนั้นก็เดินต่อไปจนถึงลานเลี้ยงควายที่เป็นที่นาของญาติ เพราะเป็นฤ ด, ดูที่พึ่งเก็บเกี่ยวเสร็จจึงเอาควายไปเลี้ยงแถวนั้นได้ย่าบอกว่าออกจากบ้านตีสีก่กว่าๆพอไปถึงที่เลี้ยงควายก็แดดออกได้กินข้าวเช้าพอดีพอไปถึงก็ปล่อยให้ควายเดินกินหญ้านอนแช่โคลนย่ากับพี่สาวก็พากันกินข้าวเช้าพอกินข้าวเสร็จแล้วก็พากันไปเล่นตามปราษาเด็กๆ จนเที่ยงวันจึงพาควายไปกินน้ำโดยย่ากับพี่สาวจะต้องลงไปตักน้ำใส่ถังมาให้ควายกินเพราะถ้าควายลงไปกินเองอาจจะกลับขึ้นมาไม่ได้วันนั้นพี่สาวชวนย่าไปตักน้ำที่บ่อนาตาส่วงนาตาส่วงอยู่ติดกับโนนเจ้าปู่ที่เป็นที่เคารพของหมู่บ้านลักษณะจะเป็นโนนใหญ่ๆเป็นป่าโล ง, ลง มีต้นไม้สูงแล้วก็มีศาลเจ้าปู่ตั้งอยู่ทวดมักจะกำชับหนักหนาว่าอย่าไปเล่นแถวนั้นเพราะกลัวว่าจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ถูกไม่ควรโดยรู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเอาน้ำให้ควายเสร็จย่ากับพี่สาวก็ได้เวลานอนกลางวันโดยคุยกันว่าจะไม่พาควายกลับไปที่เดิมแล้วเพราะเหนื่อยที่เกียจเดิน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 ก็หันไปเห็นพี่สาววิ่งไปทางกอไผ่ใกล้กับนอนเจ้าปู่ทำท่าทำทางนั่งเอามือคุยดินแล้วพูดอยู่คนเดียวย่าก็คิดว่าคงจะเล่นขายของก็ไม่ได้สนใจอะไรจึงนอนต่อพอเคิมหลับไปได้สักพักหนึ่งย่าก็ต้องตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงพี่สาวร้องไห้ย่า รีบกระโดดลงจากหลังควายไปหาพี่สาวที่ยืนร้องไห้อยู่ข้างต้นมะกอกน้ำข้างสะเมื่อเข้าไปถามพี่สาวพี่สาวก็เอาแต่ร้องไห้บอกว่าอยากกลับบ้านยาก็เลยบอกว่ากลับตอนนี้ก็โดนตีตายนะสิเพราะดูแล้วตอนนั้นน่าจะประมาณบ่ายสามโมงยาจึงบอกว่ารอก่อนอีกสักพักจะพากลับ ให้ควายมันลุกขึ้นทุกตัวก่อนตอนนั้นควายยังนอนแช่คโคลนอยู่เลยสักพักพี่สาวก็เงียบไปไม่ยอมพูดอะไรอีกจนเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่ า, ก, วาก็ได้เวลากลับบ้านพี่สาวย่าบอกให้ย่าเป็นคนไปต้อนควายตัวที่อยู่ไกลๆ ก, กลับมาก็เลยเกิดการทะเลาะ ก, กันจนถึงขั้นตีกันตามประสาเด็กๆ พี่สาวย่าโกโรธแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านไปก่อนส่วนย่านั้นทั้งโกโรธทั้งร้องไห้พราะโมโหที่ต้องเอาควายกลับบ้านคนเดียวย่าทั้งหอบปิ่นโตหอบกระติบข้าวโดยยอผ้าขาวม้าผูกหลังไปแล้วก็เดินไปต้อนควายทีละตัวสักพักก็เห็นพี่สาวเดินกลับมาช่วยไล่ควายเตยอยู่ดีๆ ควายที่เพิ่งจะเกิดได้ไม่กี่เดือนก็เกิดตกใจวิ่งตเตลิดเข้าไปในป่าหลังโนนเจ้าปู่ยา่าตะโกนบอกพี่สาวให้ต้อนควายที่เหลือเอาไว้เดี๋ยวจะแตกฝูงส่วนยา่าวิ่งตามลูกควายไปย่าบอกว่าจำได้แค่ว่าวิ่งตามลูกควายไปในป่าวิ่งไปเรื่อยๆก็หาลูกควายไม่เจอย่าหาลูกควายจนมืด จนเหนื่อยจะเดินออกจากป่าก็หาทางออกไม่เจอก็เลยนั่งพักแต่ตอนนั้นย่าบอกว่าไม่ได้กลัวอะไรเพราะป่ามันไม่ใช่ป่าใหญ่เป็นป่าโล่งๆยังคงมองเห็นหนาคงชาวบ้านอยู่ที่ว่าหาทางออกไม่ได้ก็คือหาทางเดินเท้าไม่เจอนั่นเองถ้าจะออกไปก็ต้องบุกพงหญ้าพงหนามออกไป ย่าจึงยังไม่ออกไปกะับว่านั่งจนหายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยออกไปตอนนั้นย่าบอกว่าเหมือนรู้สึกวูบไปสักพักแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้พร้อมกับเรียกชื่อของยา่าซึ่งย่าจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของทวดหญิงหรือแม่ของย่านั่นเองย่าลืมตาตื่นขึ้นตอนนี้ รอบตัวย่ามืดไปหมดมองไม่เห็นอะไรเลยได้ยินแต่เสียงเรียกเท่านั้นพ่อย่าจะตะโกนกลับแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงออกมาแม้จะร้องไห้ก็ยังไม่มีเสียงเลยตอนนั้นย่างงมากทั้งกลัวทั้งมึนจนเผลอหลับไปอีกพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็สว่างแล้วตอนนี้ ย่ามองเห็นทางเดินแล้วจึงเดินออกไปซึ่งเป็นรอยทางเดียวกับที่วิ่งเข้ามาและน่าจะเป็นทางที่ชาวบ้านเข้ามาเก็บเห็ดหาหน่อไม้หรือผลไม้ป่าย่าค่อยๆเดินร้องไห้ออกไปตามตัวของย่ามีแต่รอยยุงกัดเต็มไปหมดย่าเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะกลับบ้าน พอมาถึงคลองที่จะข้ามก็ข้ามไม่ได้เพราะไม่มีควายให้ขี่หลังแต่โชคดีที่มีคนในหมู่บ้านผ่านมาจึงพาหญ้าซ้อนจักรยานอ้อมไปจนถึงที่มีสะพานข้ามคลองซึ่งอยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตรแล้วเขาก็พาหญ้าไปส่งบ้านเมื่อไปถึงบ้านทวดทั้งสองต่างร้องโอดโอยเพราะความเสียขวัญ และดีใจที่เห็นย่า ก, กลับมาย่าบอกว่าตอนนั้นไม่รู้อะไรหรอกรู้แต่ว่าได้กินขนมเยอะแยะและมีชาวบ้านมาหาเยอะมากแถมยังให้เงินไปซื้อขนมกินอีกมีคนมาผูกแขนเต็มไปหมดแถมยา่ายังไม่ต้องไปเลี้ยงควายอีกหลายวันย่ามาเล่าให้ฟังย้อนหลังว่ามารู้เรื่องอีกทีเมื่อตอนโตเป็นสาวแล้ว ว่าตอนที่ย่าวิ่งตามควายเข้าไปในป่านั้นพี่สาวย่าไม่กล้าวิ่งตามเข้าไปเพราะตอนกลางวันของวันนั้นพี่สาวได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาเก็บเห็ดเธอแต่งตัวธรรมดาเหมือนชาวบ้านหมู่บ้านอื่นเธอคนนั้นยืนยิ้มแล้วกวักมือเรียกให้พี่สาวย่าไปดูเห็ดโคนข้างกอไผ่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ถามพี่สาวย่าว่า จ้เาเห็ดกลับบ้านไปแกงไหมแต่พี่สาวปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นไปแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทำหน้าตาโกรธเคียวใส่พี่สาวย่าเธอลุกขึ้นเดินเข้าไปในป่าแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยพี่สาวย่าตกใจมากจึงวิ่งหนีออกมาแล้วร้องไห้ชวนย่ากลับบ้านแต่ตอนนั้นพี่สาวไม่ยอมเล่าให้ฟังย่าจึงไม่พากลับ แล้วตอนทะเลาะ ก, กันพี่สาวก็จะกลับบ้านอยู่แล้วแต่นึกขึ้นได้ว่าข้ามคลองไม่ได้จึงกลับมาจนมาถึงตอนที่ย่าวิ่งตามลูกควายเข้าไปในป่านั้นลูกควายก็ออกมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เห็นย่าออกมาจนจะมืดพี่สาวก็เลยรีบกลับบ้านไปบอกทวด ชาวบ้านพากันออกมาตามหายาเกือบทั้งคืนแต่ก็ไม่เจอจนต้องเรียกให้คนทรงทรงร่างเจ้าปู่มาถามแล้วเจ้าปู่ก็บอกว่าเขาเอ็นดูยาเดี๋ยวเขาก็คืนให้กลับไปรอที่บ้านได้เลยชาวบ้านที่ออกมาตามหาจึงกลับไปแล้วยาก็กลับมาบ้านเองจริงๆอย่างที่เจ้าปู่บอก ในสมัยก่อนนั้นเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้ก็มีค่อนข้างเยอะบางที่บางหมู่บ้านหายเข้าไปในป่าสมวันเจวันพอออกมาก็บอกว่าไปอยู่บ้านหลังใหญ่กับพ่อใหม่แม่ใหม่สุขสบายดีเลยก็มี 怕死哟。Hot,